สารยายธ ร, รรมจักรกับวัฒนสูตรซึ่งเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้ารทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอิสิษฐานะมิตรธรมยวันแฝงมือพราราสีเชิญท่า น, นทั้งหลายตั้งใจสับกับ อนุตตรังอาปิสัมโพธิ์สังปชิตาวะตถาคตุณะทะมังยานเทเสศิธรรมะจากอนุตตรังสัมมะเจวะปวัตเตนโตโลกะอาปิวัติยังยะถาค มูโควันตาปฏิปะิจามาจิมาจทุสาวรียัตเจโซวิสุทังยานะทัพนะเทติตางธรรมราชนาสัมมาสัมโพธิกิตนานาเมนะวิสุตังสุตัง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 นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอกังตมยังพะคะวะฮาลาณิตยังวิหาลาติติสิปตะเนมิขะทยะขะตะโคพะคะว ปัญจวัคคีย์พิคูอามันเตศถวยเมพินเขวันตาปะปะิเตนันเตวิตาาโยจายังกามสุกามสุกิกาุโยคนอินโขัมโมโพทชิกนอนารโยนคาตังิโ โยชายังอ y ตคิรามาทานุโยโพตุโ n นอานาบิโยอนาต a ันจิตโอนเตเตเตลิงคเวภูโคนเตอโนกามะมัชฌิมาปะิปทาตตาตเตนะอภิสัมปุทายาครียารีปะมยา ิญาญาสัมทาญนิพพานตังวัตติกตมัจจตาพิขเวมาิมาปิปาตาเตนิุจกุกรณียานกรณีอุปมายิญาญาสัมปทานิพพาน กายเมวารโยอัคตังจิตตมโคเสยยาทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจจะสัมมาสัมพุทโธสัมมาชโยสัมมาวายาโทสัมมาสติสัมมาสัมภิส ยังโคตพินเขวเมิมะปฏิปทาตถาสทเนาริสัมพุทธาจักุกรณียานักรณีอุปสะมายาพินญาาสังโพธายานิพานยาสังวตติยังโคตรพินเขว ทุคตังอวียสัจจังชาติพิทุกขังชราพิทุกขังมรณะพิทุคตังโสกปริเทวทุโสมานาตุภายตาพิทุกขังปิเยหิตามประโยชน์โพธโพปิเยหิวิประโยชน์โพธิโพยัมพิชังนราปฏิตามพิทุคตัง จังคิดเตน่าปันจุปาธาณัคนาตุคาทังโคปัญิกเวทุกขสมุทัยอริยสัจญาแยมตนาปโนภิกานันติราชตถาคตตาตถาตถาภิณฑีเตยาิการ กรมตัณหาภ a วตัณหาวิภาวตัณหาทั้งขอปัญญาก็เวทุกันโรตัวเรียสัจจังโยตัตตาเยวะตัณหาญาอาศสวิรากันโรตุจักโกปิิสาโคมุติอนารยณ์ ทีางขอพระนาบิณฑ์เขวทุกขนแหรงโลหะทามีปฏทิปะทาอริยตัจจังอายเมวอาริโยอัคังคีโกมะโกเสีาทิทังสมะจิตีสมาสังฆโพสมาวจ่าสมะกรัมโต สัมมาชโวสัมมาวายามสมาสติสมาสมาทธิ์อีกคังทนก่ครังอริยตจันติเมติเข้าเขวภเพอนโนสุเตสุทัมเมสุอยากคงอุทตปาฏิอยานนำอุทปาฏิ ปัญญาอุจปาระติเวชญาอุจปาระติอะโลโกอุจจาติตั้งข้อปัญญางทุขังอริยสัจปัญญาญาติเมติกเวภเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจะาภูมิทปปะติญาณังทัปปะติ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิตังโผปัิทังทุขังอริยสัจจังปริญาสันติเมติกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรมเวสุจาโกอุตตปาทิยานังอุตตปาทิ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุ a ตปาทิอะโลกอุ p a ปาทิอีต่างทกขก็สมุทยอันเดียดจันติเมติกะเวบุคืออาณาโนสุเตสุธํรเมสุจักปุ a ตปาทิญาณุต a ปาทิ ญันาอุตปาฏิวิชาอุตปาฏิอารมณโกอุตปาฏิตังโกปนิทังโทขสงมุทัยวริยสาจังตหาสาพันติเมติกเวสุภะอาานสุเตสุทัมเมสุจักภูอุตตปาฏิญาณอุตปาฏิ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอะโลโกอุตตปาทิตัมโภปิทังทุกขสมภะโยริยะตจางปัญญาติเมติกขเวปุเปอานาโนสุเตสุทังเมสุเจ้าปุญญาอุตตปาทิญาณุอุตตปาทิ บัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอะโรภูตตปาทิอิทังดุคาลิโรโตอริยตัจจันติเมติกเวปเ e ยานันโสุเตสุธรรมเมสุจะภูตตปาทิญาณังอุตตปาทิ ปัญญาอุตตปาฏิวิชอุตตปาฏิอโลโกฏปาฏิตังโฆปัญญังทุกข์นี้โรธอริยตจังชาชิกาตพันธิเมติกเวภูเกอานาสุเตตุธรมเมสุ จ้คงอุตตปาทิยา낭อุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังขโพปัญญางทูกคนิโรตริยะตาจางสัจจิกตันติเมติกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจ้คงอุตตปาทิ ญาณังูตัปปิปัญญาูตัปปิวิชชาอุทปปิอารโลโกูตัปปิอิทัมภูไกโรตัมิ尼สัตติปัสสาเรตตจันติเมติขเวภะเพอนาโนสุเตสุทัมเมสุจะคูตัปปิญาณังูตัปปิ ปัญญาอุตปาทิเวชญาอุตตปาทิอะโลกุตตปาทิตัณโขปัญตังทกขนิโรธาไม่ปิติบารียะทังทาเวสาภันติเมติกาเวโอเคอนันโตเตสุทัมเมสุจะกุมุตตปาทิญาณังอุตปาทิ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาลุโภอุตตปาทิตัโคปาณิทังทุกันยุโตตกคมินิปิปทาริยัสจังภะวิสัมถิเมติคเวปุเพอาันโนตุเตสุทัมเมสุจะคคูอุตตปาทิยานังอุตตปาทิ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวกิวันจะเมตินเขาใที่เมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารทสกัณฐังยาถาหูตังยาณทขันธ์นังนสุวิสุขังอโหสิ เนวตาวังจิขเวสัेธวาเกโลเกสมารเกสักรามเกสัสมณพระมารียาปัญญาสัाดวมโนส न ยาाนุตตร त งสัมมาสัมโพธินอภิสัมบูทปัจจญญาสิณญาโตเจโคเมจิขเว อิเมตตจตตุสุภิย e สัจเจตเอวันติปริวัตั t ทวะตัสสะร a ัยะถาบุตัง a าคุตุสนาังสุวิสุทังอะโหสิอะคาหังติณโธเวสัทวเกโรเกตมะระเกตตกรรมเก ชาติมะนาพระมัญญาปัาชาตเอวมนุสัยญาณุตธรรมธรรสัโพธิอภิสัมปุทโธปัญญาสิงห์ญาณเจแปนเมทัสนัอุตปาทิสกุปาเมวิมุตติอยมันติมาชาตินาทิทาิปุนาภวติ อิท a มโมจะปั a สาวะน a n มนาปัญจวัคคียาทิคุทักษวาโตภาสิตังอภินัน a ุ a อิมาตมินจาปะนาวยะตะระนาติมปัญญามาเนอายะตะมันโตก่ a นทันยะสาวิราชังวิธรรมรังธรรมจักงอุตต pari ยังจินจิสมุทัยธรรมั สะพานตังนิโรธาธรรมันติสวัตติเตจะภะ a ว a ต a าธ k รมะเจเพภ a ม a ทิวาสัตตามนุสสาว a สุขเอตังภะสวัตตาภารันติยา a อิสิปั a เจมิ a ะชายย a อนุตตังธรรมะเจตังวตตตังภะสวัตติยาม สมันเนวะพระมนีเนวะเทวนวะมารเนวะพระมุณเนวเทนะจีวะโลกสมินตีภูมานังเทวานังสัทธังสุตวานะตุมหาราชิกาเทวาสาธมโนุสาวริสุ จาตุมหาราชิกานังเทวานังตัดทางสุดวาตาวติงจาเทวตาธรรมโนสาเวิสุตาวติงจางเทวานังตัดทังสุดวายามาเทวตาธรรมโนสาเวสูยามานังเทวานังตัดทางสุดวา ตุสิตาเทวะตัตมนุชาเวสุตุสิตานังเทวานางสั n ตังสุดวะนิมมานะติเทวะตัตมนุชาเวสุนิมมานะตินางเทวานังสัตตังสุดวะปะรามิมิตาวะตวตติเทวะตัตมนุชาเวสุ พระนิมิตวัตวสินังเทวังสักทางสุดวะพระมปริีตัชาเดวสัจธมนุสาวสพระมัคคีตัชฌนเทวังสักทางสุวะพระมัคคีตัชนาเดวังสักทางสุด เดวาสัตวมนุษยสาวสุมหกรรมนังเดวานังสัตทังสุดวะปาริตตาพาเดวาสัตวมนุษย์สาวสุปริตตาพานางเดวานังสัตทังสุดวะอปมานาพาเดวาสัตวมนุษย์สาวสุ อาพมานังเทนังเดวานังสัตทังสุดกว่าอาพัสตะราเดว m สั u s มโนสาวิสุอาพัสตะราณังเดวานังสัตทังสุดกว่าปะริตตสุภะเดวะส a ตถมโนสาวิสุปะริตตสุภะณังเดวานังสัตทังสุดวา อปปามะนัสุภาเทวะต a ตมะโนสาวะโสอ a ปามะนัสุภา낭เทวานังสัจขังสุดวะสุปะตินะตาเทวะตัตมะโนสาวะโสุปะตินะตานังเทวานังสัจขังสุดวะเวหะพลาเทวะตัตมะโนสาวะโส เวหาพ d านังเดวานังสัตตังสุจวะอวิหะเดวะตัตมะโนสาวิสุอวิหะนังเดวานังสั A ตังสุจวะอตถะเดวะต s ตมะโนสาวิสุอตถะนังเดวานัสัตตังสุจวะสุทัตตาเดวะตตมะโสาวสุ สุทัศนังเทวังสัตถังสุดวาสุทติเทวาสัคมาโนสาวสุศุทสีนังเทวังสัตถังสุดวะอคติทัคาเทวะสัคมาโสาวสุเอตังปะคะวะต้าภารานติยามิสิปะตะเนมิจุตาย นั่นต่อรองสากตังภวติตังอาปาภสามเณรนาวะพระมเณรนาวะเทเวนาวะมารณนาวะพระมุนา k ะเคนติ ายาเจ้าทศทศอาศัลกสัสโสามัปตสามปะตังตสามวิจอะตมานจาโอลารโอมาโตโลก e ปะตุระโหติอติกามวะเทวานังเทวานุปวังอะทะโคปวาอุทานังอุทานิสีอัยาสีวะตะโพคนันโย อนยาสิวะเจะโพกนกันโยติยติทิหังอยายะสมัโนโตกน o ัน ย, ส, นยสตาอนญากน n ันโยเทเววนามังอาโหสิติาาธรรมจักรกับวัจนสุตังมิธิตังาาธรรมจักรกับวัจนสูตรสัทธมเทศนาขาาา้าพเจ้าได้สับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่น ะ, ยนะตาอิสิตาณะนิกายวันก ร, รุ ง, รงพาราณสีณที่นั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจนัญจวัคคีมาแล้วจักว่าดูความพิสูจทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรญญัติคไม่ควรเสกคือการมาสุขคาริการิโยโกการประกอบตนให้พัวพันด้วยการมาสุขในการมารทั้งหลาย เป็นธรรมันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของผุุ้ชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งอัตติคิรามขาหรโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยให้แก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูก่อรภิกษุทั้งหลายมัชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านั้นอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อการานิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิ ม, มาปฏิปทาข้อปริบัดสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อจัตรู้เพื่อพรนิพพานนั้นเป็นไฉนมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกางนั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นในอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะความดำริดถูกต้อง จำริศในกุศลสำกับป่าสัมสำมาวาจา ก, การเจรจาถูกต้องเว้นจากวาจีทุจริตสีสัมมากรมันตการงานถูกต้องการงานที่เว้นจากการย่ทุจริตสามสำมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องการเลี้ยงชีพที่เว้นจากการย่ทุจริตสามวจีทุจริตสีสัมมาวายามะความพยายามถูกต้องสำ ม, มประธานสี สัมมาสติความระลึกถูกต้องคือระลึกในสติฐานสี่สัมมาสมาธิความตั้งติดมั่นถูกต้องคือตั้งมั่นในฌานทั้งสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหลคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลาง น, นั้นที่จะาคตได้ตั้งรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทาดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพรนิพพานดูกรทิสุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความทราจายกากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ปราฐานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ดูกรภิฏฐุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทาให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยกำหน้าในความเพื่อเกินมีปกติเพื่อเกินในอารมณ์นั้นคือกามาตัณหา ความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความเพิดเพลินพอใจในรูปประพบอรูณ ป, ประพบหรือตัณหาอันประกอบกับปัจจักดิถีวิภวตัณหาตัณหาที่เกิดร่วมกับอุเฉติทิฏฐิที่มีความเชื่อว่าจากตายแล้วขาดสูนย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขัะวิโรธอริยสัพคือตัณห า, หาแม่แลดับ โดยการรัคายด้วยอริยมรรโดยไม่มีส่วนเหลือการสลักการสลักคืนการปล่อยไปการไม่ทวพันดูก่อนทิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกข์การนิโรธาคร ม, มีปฏิปทาอาริยสัจได้แก่อริยมรรคทีองค์8ปดเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นในอริยร 4, สัจสี่สัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องดำริในกุศลสังกัปปะสาม สัมมาวาจาการเจรจาถูกต้องเว้นจากวจีทุจริตสีสัมมาธรรมตามการงานถูกต้องการงานที่เว้นจากการยัตุจริตสามสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตถูกต้องการเลี้ยงชีพที่เว้นจากการยัตุจริตสามวจีทุจริตสีสัมมาวายามะความพยายามถูกต้องพยายามในสัมมประทานสี่สัมมาสติความระลึกถูกต้องระลึกในสติสถานสี่ สมาสมาธิการตั้งติดมั่นถูกต้อง ต, งตั้งมั่นในฌานทั้งสี่ดูก่อนพิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในทางทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านิทุกขะอริยสัจสัจจญาณดูก่อนพิสูจนทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสวา่าง ได้เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าโทุกขะอายะตานี้นั่นแหลปริญญาควรกําหนดรอบรู้กิจเจียร์ดู่านภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าโทุกขะอายะตานี้นั่นแหลเราได้กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วกัตยาน ดูปก่อนพิสษุน์ทั้งหลายดวงตายานสัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสัมุูชยอริยสัตย์จัตเจียนดูปกรณ์พิกษุทั้งหลายดวงตายานสัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่ า, า <craft ian> ทุกขสมัมบูชายอริยสัตสญญส ย, ตายา์นั้นแหละประธานนะ ควรละเสียกิจยานดูความพิสูจทั้งหลายดวงตา ย, ยานปัญญาวิชาแสงสวรร่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขธรรมูทัยอริยสัจนั่นแหลเราได้ละเสร็จแล้วกิจยานดูก่อนพิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขันิโรคะอาริยสัจ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 ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขังิโรท่าธรรมมีปฏิปทาอริยสัจนั่นแหลภาวนาควรเจริญกิจญาณดูก่อนพิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขังยิโรธคารมมีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหลเราจเจริญเสร็จแล้วจักรายานดูก่อนภิกษุน์ทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความ สีน่นี้มีรอบสามมีอาการสิสองอย่างนี้ยังไม่หมดจบดีแล้วเพียงใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้จัตตุรสัมมาสัมโพธิญาณยอดเยี่ยมในโลกทร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและโรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสาาัมมาชามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เมื่อใดแล ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจบดีแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อ น, นั้นเราจรึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ศัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแหนยอดเยี่ยมในโลกท้องทั้งเควโลกมารโลกพุทธโลกในหมู่สัตว์ร้อมทั้งสัมนาชามเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแต่เราว่าความพ้นยิ่งเศษของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นที่สุดพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปก็แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไวย า, ากรณ์ภาสิตอยู่ดวงตาเห็นธรรมปราจากทุรีปราศจากมนทินหมายถึงโสดาปฏิมัติเห็นอริยาสัจได้เกิดขึ้นแก่ท่านพราอญญาโกนันยาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาชวิ่เดนเข้าขนี้ได้โ ก็นแลกเมื่อพระพุทธเจ้าพระตาได้จับวยากยรณตาเสร็จอยู่อย่างนี้ดวงตาเห็นธรรมปราศจากผู้รปราศจากมลทินสดาปฏิมาเห็นอริยสัพ์ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระอญญาโนธัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกและสมุทยาศัพท์สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดานิโรธคือพระนิทาน ค ita, ั้นเมื่อพระพู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเราคุ้มมัทธิวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระพู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนับปาริสิสปัตนาเมรุกัจายวันเพลผนัลพรพาราณสีอันตมนครามเทวดาพรหรือใครในโลกแก้ปฏิวัติไม่ได้เทวดาฉังจากตัวมหาราชได้ยินเสียงของ พวกภูมิมัทเธอวดาแล้วก็บระลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงเทวดาพวกชั้นจารุมหาราแล้วก็บระลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นยามาได้ยินเสียงของเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็บระลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของเทวดาชั้นยามาแล้วก็บระลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นนิมมานราีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็บระลือเสียงต่อไป เทวดาชั้นประดิมิสวัสดีได้ยินเสียงของเทวดาชั้นประนิมินิมานาดีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาพินาศเมื่องในหมู่พรหมได้ยินเสียงของเทวดาชั้นประดิมิสวัสดีแล้วก็บรรลรือเสียงต่อไปนั่นก็ธรรมจักรยันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประา ก, รากาศให้เป็นไปนแปล้วนะป่าอิสิตปตนะเมรตกายวันแฝงเมืองเวฬุนสีอันสำนัก ร, ร, ร, รามเทวดา ม, มารง หรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ช่วงขนาดการคู่หนึ่งนั้นเสียงได้กระชอนจนไปถึงพรงมโลกเลิกประการชนนี้เลทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้หวันไหวสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณนี้ได้ปรากฏแล้วในโลกร่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไปมูอทานว่าท่านผู้เจริญโกลทัญญัตได้รู้แล้วหนอ ท่านผู้จเจริญโกลทัญญาได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกนทัญญานี้จึงได้เป็นชื่อของท่านอัญญาโกนทัญญาด้วยประการชนีแล